ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องยังทาดีน้อยไปโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่29มิถุนายน2546ัน25พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นะบัดนี้ ธรรมาเคยบอกไปบ่อยแล้วนะอย่างเช่นบางทีเราตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่าก่อนอื่นเนี่ยพยายามอย่าไปนึกถึงคนอื่นหมายถึงว่าในแง่ที่สมมติเราไม่ถูกใจไม่ชอบใจกับใครสักคนหนึ่งเสร็จแล้วปรากฏว่าอาจจะต้องเจอหรืออาจจะต้องพบเห็นกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ คือคืออย่าเพิ่งไปนึกถึงเขาพย า, ยามนึกว่าเออเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเราไม่อยากที่จะออโกรธเกลียดชังคนนั้นมันนึกนึกถึงตัวเราก่อนนึกถึงประโยชน์ของเราที่ควรจะได้เพราะฉะนั้นคราวนี้เราอาจจะตั้งศีลหรือว่าตั้งตะบะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองอะ่ะแต่ทันนี่พอไปเจอใช่ไหมพอเจอปับ๊บบางทีอ้าวเขา ไม่ดีด้วยกับเราอะนะเราอาจจะเจริญธรรมหรือเราอาจจะพูดทักทายแต่เขาอาจจะสะบัดหน้าเลยหรือเขาอาจจะไม่มองหรือว่าอาจจะไม่สนใจอะทําเป็นไม่เห็นเราเลยก็ได้แต่อันนั้นอนะคือเขาดูให้ดีแสดงว่าเขายังไม่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้ต้องถามว่าเราเราอยากเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงให้ ไม่ต้องไปมีจิตที่จะเกียดชังหรือว่าไม่ชอบใจถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงนะแต่เขาไม่อยากเปลี่ยนแปลงก็เรื่องของเขาแต่เราอยากเปลี่ยนแปลงอ่ะเราอยากจะให้ตัวเราเนี่ยดีขึ้นจเจริญขึ้นหรือว่าพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงสิไม่ใช่ว่าพอเราไปเจอเขาเหมือนเดิมอ่านะเขาไม่ชอบใจเราเขาถือสาเราเหมือนเดิม โดยที่เขาไม่เปลี่ยนแปลงพอเราเห็นอย่างนี้เข้าปับ๊บเราก็เลยพลอยพลอยอย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดกันไม่ต้องเจอกันไม่ต้องทักทายกันแหละก็เลยกลายเป็นเราก็เลยโดนดึงให้ไม่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยถ้าอย่างนี้เราไม่มีวันพัฒนาหรือว่าเจริญขึ้นมาได้เลยสําคัญอยู่ที่ตัวเราเราทำครั้งที่1น่งสมมุตินะเราทำครั้งที่สอง เราทําครั้งที่สามคุณทําไปเหอะคุณทําไปเรื่อยๆคุณทําได้เป็นสิบครั้งยี่สิบครั้งเป็นร้อยครั้งก็ตามทําได้ทําเลยไม่ต้องห่วงหรอกแล้วอาตมาอยากจะบอกว่ากําลังจะท้าพิสูจน์ด้วยว่าเดี๋ยวใครจะเก่งกว่าใครอาตมาเคยยกตัวอย่างบ่อยๆว่าระหว่างหนูหนูหนูจริงๆนะนะหนูที่มาอะไรอนะ่ะ ขโมยอาหารกินบัางอะไรบั่งพวกนี้นะกับกับพวกเรานี่แหละกับคนเนี่ยที่บางทีมันชอบมาขโมยของอะไรต่ออะไรนะมั น, ม, นมันมาหากินของมันตามธรรมชาติมันแหละแต่บางทีเราก็อุตสาหเก็บอุตสาหอะไรนะดูแลรักษาแต่มันก็ยังขยันที่จะมาหากินของมันตอนนี้ถ้าเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเราพยายามเก็บพยายามอะไรมันก็มา ใช่ไหมกูจะพยายามเก็บยังไงมันก็มาเพราะว่ามันต้องมีชีวิตอยู่ของมันนะ่ะแล้วมันก็ต้องหาอาหาของมันอาตมาบอกว่างานเนี้ยนะดูที่ว่าใครขยันกว่าใครเท่านั้นแหละคือเราเราไม่ฆ่าด้วยนะเพราะว่าเราเราเองไม่ไม่ฆ่าศาสตร์ชีวิตอยู่แล้วนอกจากบางทีหากงมาดักมันแล้วก็เอามาไปไ ป, ปล่อยที่ทอื่นเท่านั้นเองแต่ความต้องการอยู่ที่ว่าใครขยันกว่าใคร ถ้าหนูมันขยันกับเราเราก็แพ้มันเราก็แพ้หนูแต่ถ้าเราขยันกับหนูหนูก็จะแพ้เราอ่าคุณก็พยายามขยันทําความสะอาดเก็บข้าของอะไรให้ดีใช่ไหมปิดอะไรต่ออะไรให้มันมิดชิดซะอย่างเงี้ยถ้าคุณทําไว้ดีคุณเก็บอะไรไว้ในที่ปลอดภัยดีอีกหน่อยมันมาเนี่ยมันหาของกินอะไรไม่ค่อยได้มันก็รู้แล้วว่าทําเลหา ก, กินนี้ฝึกเครืองแล้วลําบากแล้ว มันก็ไปหาทําเลอื่นแต่อันนี้ให้เห็นว่าเราชนะหนูแล้วเราก็ไม่ได้ไปฆ่ามันด้วยเราไม่ได้ไม่ได้ต้องไปแบบว่าทําร้ายอะไรมันด้วยแต่เราชนะโดยที่ถ้าจะใช้คําความของพระพุทธเจ้าก็คือเอาชนะอย่างเช่นเอาชนะคนตีด้วยการให้เอาชนะอะไรอะ่ะคนโกรธใช่ไหมด้วยการ ไม่โกรธหรือว่าด้วยเมตตาอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราจะเอาชนะความชั่วเนี่ยด้วยความดีพูดง่ายๆเพราะเหมือนกันยิ่งอาตรมาบอกแล้วสมมติว่าเรารู้ว่าเขาไม่ค่อยชอบใจเราหรอกแต่เราเจอเราก็เออพยายามยิ้มแย้มบั่งทักทายให้บ้างหรือว่าช่วยอะไรได้เราก็ช่วยเขาคุณลองใช้ความดีเนี่ยเอาชนะดูแต่จริงๆเจตนาไม่ได้ต้องการไปชนะเขาหรอกนะ แต่จริงๆเราต้องการพัฒนาตัวเราเอาชนะตัวเราเองเนี่ยเพราะเราก็ไม่ชอบเขาเหมือนกันไงคือเราก็ไม่ชอบเขาอ่ะแต่เราก็ยังเรากาลังจะเอาชนะความความไม่ชอบใจที่เรามีอยู่พระอาตมาถึงบอกว่าถ้าเราคิดถึงประโยชน์ตนของเราตัวนี้นะถึงบอกว่าเขาจะาทักทายกลับมาไหมหรือว่าเขาจะสะบัดหน้านีไม่เป็นไรหรอกก็เรื่องของเขาแต่เราเนี่ยกลังต่อสู้กับตัวเราเองยิ่งเขาสะบัดหน้านีนี่แหละ มันยิ่งจะชัดเลยว่าคุณจะรีบยอมแพ้ไหมหรือคุณยังมีความเข้มแข็งมีความอดทนที่จะเอาชนะใจตัวเราเองเพราะเขายิ่งสะบัดหน้าเนี่ยคุณจะยิ่งขึ้นอย่าเลยใช่ไหมมันทันทีเลยใช่ไหมพอเขาสะบัดหน้าเด็เอาเลยทันทีเลยบอกเดี๋ยวเหรอเดี๋ยวแ <c oughs> ม่บางทีอ่ะเผลอๆนี่คุณอาจจะแหวบเลยนะแหวบเลยนะบอกบางคนนี่ปากไม่ได้พูดหรอกแต่ใจเนี่ยมันไว ใจเนี่ยมันแวบเลยว่าไม่ต้องคบไปอีกต่อไปมันจะขึ้นเลยบางทีเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าใครเนี่ยไปยึดอยู่ที่คนอื่นว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วคนอื่นต้องเปลี่ยนแปลงตามคนนั้นแก้ไขอะไรได้สําเร็จยากเพราะความสําเร็จของคนนี้ขึ้นอยู่กับคนอื่น <c oughs> โอโหตายเลยถ้าอย่างนี้เพราะยิ่งคนนั้นเขายังเกลียดเราอยู่เขายังไม่ชอบเราอยู่ ยังงี้คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยังไงอะถ้าอย่างนี้อาจารย์ก็ต้องรอเหรอรอว่าเมื่อเมื่อไรเขาอารมณ์ดีหรือเมื่อหรือเมื่อไหรเข้าใจดีขึ้นมาเมื่อไร่เราก็จะได้เปลี่ยนแปลง <c oughs> มันไม่ใช่อัตมาบอกว่าอย่างนี้ตายคุณรอจนแก่ตายอ่นะหรือว่าชาตินี้ช่างชาติอาจจะแก้ไม่ได้เลยถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงถึงบอกว่าความเปลี่ยนแปลงนี่อยู่ที่ตัวเราคุณตัดรอบออกไปเลยว่าเขาจะยังไงก็เรื่องของเขาเพียงแต่ว่า เราดูหน้าหน่อยดูหน้าเขาหน่อยคุณเข้าไปพูดดีๆคุณเข้าไปทักทายคุณเข้าไปช่วยเหลือแต่โหเขายังขุนเคืองเขายังถือสาเราอยู่มากเลยอย่างเงี้ยยิ่งไปทำดีเขารู้สึกมันดีผิดปกติ <laughs> ใช่ไหมเขาอาจจะเราแวงหรือว่าเขาอาจจะจะยิ่งรู้สึกว่าเอมันแกล้งหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะปกติมันไม่เป็นอย่างนี้นี่ใช่ไหมเพราะนันอันนี้จะต้อง จะต้องดูดูหน้าตาเขาด้วยเพียงแค่แต่ว่าเราดูหน้าตาเนี่ยเพื่อที่ความปลอดภัยของตัวเราเอง <c oughs> นะที่เราทาไปแล้วก็เออไม่ถึงขีดขั้นที่ที่เขาจะยิ่งเข้าใจผิดหนักกว่าเดิมแต่ถ้าเราทำแล้วอย่างเก่งข้อแค่เอ้ยไม่ชอบใจตามเหมือนเดิมอะ่ะแต่เราเองเอไม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ยังทำดีของเราเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆถ้าใครทำได้อย่างเนี้ยอาตมายืนยันได้เลย ไม่มีใครหรอกที่จะทนความดีไปได้เนี่ยคุณทำไปเถอคุณทำครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่วันนี้ยังจำได้เลยพ่อท่านบอกสโลกทองอ่ะอะไรประโยคทองที่บอกว่าถ้าใครเนี่ยทำดีแล้วมันยังไม่เกิดผลเพราะทำดียังไม่มากพอตรมานึกไปถึงอีกคำหนึ่งเลยนะพอพ่อท่านพูดอย่างเนี้ย อาตมาคือคือคำนั้นมันมันเพราะดีอ่ะว่าทําดียังไม่มากพอแต่อาตมานึกถึงอีกคำหนึง่งที่ที่ความหมายเดียวกันคือที่คุณท่านคุณยังทําดีไปนเนี่ยแล้วมันยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้นะสมมติคราวนี้พูดถึงเขานะเพราะเราเนี่ยยังทําดีน้อยไปน้อยไปคือก็ ค, อคือคําว่าไม่มากพอเนี่ยนะพอท่านมันมันยังน้อยเกินไปเราทําแค่บางทีเนี่ย แค่อะไรอะเจรินทําหรือว่าทําดีให้เขาแล้วเขาสะบัดหน้าหนีบางทีเนี่ยแค่ครั้งเดียวเทา่าน่ะทดลองแค่ครั้งเดียวพอเจออย่างนี้เข้าไม่เอาละบางคนเนี่ยแค่ครั้งเดียวบางคนใจแข็งหน่อยอเดี๋ยวก็น่าทําอีกสิพอทําอีกเขาเนี้ยเขาหน้าเจอแค่สองครั้งเลิกไม่เอาแล้วบางคนเนี่ยแค่สองครั้งเท่านั้นเองเลิกแล้วก็นาหนัดสิเพราะนั้นจะกี่ครั้งก็ช่างมันคุณไม่ต้องมาเสียเวลานับหรอก แต่เราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆถ้าคุณมีความจริงใจพอแล้วเราเนี่ยตั้งใจทำให้มันดีจริงๆอัตามายืนยันได้เลยยิ่งถ้าไม่ใช่คนผ่าน่ะคือไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรที่ไหนเป็นคนที่เออเขาก็ตั้งใจดีเขาก็จะมาถือศีลปฏิบัติธรรมอ่ะคุณเชื่อเถอะความดีเนี่ยอาจจะชนะจนได้เพราะโดยสัจธรรมแล้วธรรมะย่อม ออกมาย่อมชนะอาธรรมใช่ไหมแต่พูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าเขาเป็นอาธรรมนะอ่แต่ให้เรารู้ว่าอาถ้าเราทำไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยชนะแน่นอนเพราะว่ามูกลุ่มเราเนี่ยเรายกย่องหรือเราถือว่าความดีเป็นสิ่งสูงเป็นสิ่งประเสริฐกว่าพวันในที่สุดต้องยอมแม้บางครั้งจะฝืนใจเราหรือเราไม่ชอบใจเนี่ยเราก็ต้องยอมให้กับความดีบางคนเนี่ยเราไม่ได้ ดิยอมชมชื่นอะไรนักนะแต่เขาทํามาดีจริงอย่างที่เรายังจําน้นเลยยังต้องยอมรับเลยว่าเออเขาทาอันนี้ดีจริงๆรงิคุณก็บางทีจะเถียงก็เถียงไม่ได้อ่าจะอะไรก็ไม่ขึ้นทั้งนั้นอะ่ะมันก็ต้องยอมรับแล้วในที่สุดเนี่ยถ้าเราคลายจิตที่เราถือสาจิตที่เราไม่ชอบใจที่ไม่รู้ละต้นสายปลายเหตุไปเกลียดชังอะไรมาก็แล้วแต่ ถ้าจิตพวกนี้คุณคลายลงเนี่ยคุณจะยิ่งยอมรับแล้วยิ่งเคารพนับถือศรัทธาด้วยซ้าไปเพราะอะไรเพราะความจริงเราไม่ได้ศรัทธาที่ตัวคนนะความจริงเราศรัทธาที่ไหนเราศรัทธาที่ความดีของคนโดยโดยโด ย, โดยเนื้อแท้อ้าวยกตัวอย่างก็ได้อสมมติอย่างพ่อท่านอย่างเี้ย ถ้าพ่อท่านไม่ทำดีเนี่ยคุณคุณคุณจะศรัทธาไหมเราก็ไม่สรัทธาใช่ไหมแต่เพราะพรา พ, พ่อท่านทำดีแล้วเราก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วใช่ว่าเออเนี่ยชีวิตจริงๆชีวิตประจาวันท่านเป็นอย่างนี้เออท่านก็ทาดีจริงๆเราถึงยอมท่านก็เพราะว่าคนคนนั้นมีความดีอย่างนี้อยู่เราถึงยอมคนนั้นแต่โดยสัจธาเราไม่ใช่ยอมที่ตัวบุคคลนะแต่เรายอมที่ความดี อาจารย์มาถึงบอกถ้าคนนั้นน่ะเปลี่ยนแปลงล่ะคนนั้นไม่ดีเหมือนเดิมอ่ะคุณยังจะเลิกศรัทธาได้เลยถูกไหมเหมือนกับบางทีเนี่ยบางทีเราได้ยินข่าวมาตอนแรกนะโอ้โหบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เราก็แหนจิตเราก็รู้สึกโอ้โหเขารบยกย่องเลื่อมใสศรัทธาแต่พอตอนตอนหลังมาเนี่ยเกิดมีข้อมูลใหม่ซึ่งก็เชื่อถือได้ว่าโอ้โหชักไม่ค่อยดีเลยแฮะ ไอ้หนุกับโผล่ไอ้ดีกับโผคุณก็ชักไม่ค่อยศรัทธาแล้วใช่ไหมเพราะให้เห็นว่าโดยความเป็นจริงเนี่ยคนดีด้วยกันเนี่ยจะศรัทธาความดีเพราะนนั้ใครยิ่งมีความดีมากคนนั้นก็เลยกลายเป็นคนที่ยิ่งได้รับการยกย่องเคารพนับถือหรือจะถึงขั้นสักระบูชาก็แล้วแต่ก็จะถึงขนาดนั้นมันถึงบอกว่าเรายอมกันที่ความดีมันถึงว่าถ้าเราเนี่ยนะ ต่อให้เขายังโกรธไม่ชอบใจถือสาหรือว่าเกียดเราอยู่ก็ตามแต่ถ้าตัวเราเนี่ยทําดีของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในที่สุดแม้แต่เขาอ่ะเขายังต้องจํานนยังต้องยอมความดีที่เรามีจนได้แต่ตอนแรกเนี่ยเขาโกรธเราเขาถือสาเราเพราะเขาอาจจะเห็นว่าเรายังดีน้อยก็ะแดถูกไหมอ่าเขาก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่แต่พอหลังๆเอาเขาเห็นเราเปลี่ยนแปลงอ่ ออแล้วเราก็ทําดีขึ้นจริงๆแต่ก่อนบางทีพูดจากระด้างพูดจาหยาบรุนแรงนะพูดแล้วไม่เข้าหูคนสํานวนสํา น, น, นวนจริงๆมันเข้าหูอ่ะนะใส่สำน ว, นวนว่าไม่เข้าหูคนคือโหพูดไปแล้วคนฟังยากนะฟังแล้วก็ไม่เป็นที่พอใจแต่เอ๊เดี๋ยวที่เราเปลี่ยนไป นะเออเรารู้จักขอโทษถ้าเร า, าพลาดไปเออแล้วก็เวลาจะพูดจาอะไรเราก็พยายามคิดก่อนพูดนะก็เรามัดระวังในการพูดเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งเขาเห็นเลยว่าเออคนนี้เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นจริงๆหลายคนเนี่ยถ้าคุณนึกจากสภาพความเป็นจริงสิว่าหลายคนบางทีเราก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่หรอกยิ่งบางคนเนี่ยพอไปเจอเหมือนกับ อ, อ่าเขาเรียกอะไรนะ อ, อ่าแม่มันนึกแต่อีกสาดวนนึ่ออก นึกนกมันตรงข้ามกับไอ้ที่อาตมาต้องการจะพูดแหะคือไอ้ที่นึกแบบที่เขาบอกว่ารักแรกพบอ่ะอันนั้นมันหมายถึงว่าเออแหมพบแล้วยินดีพอใจใช่ไหมแต่อันนี้พบแล้วมันเกลียดแหะเขาจะเรียกว่าอะไรเออเอาเราจะใช้สอนศีลไม่กินกันก็ตามแต่ว่าพอพบปับ๊บนี่มันทันทีเลยนะยิ่งบางทีอ่ะพอพ บ, พบครั้งแรกปับ๊บมันจะเอ๋เลยอ่ะคือจะเอ๋ไอ้แบบชนิดที่เรียกว่า แหมอะไรอ่ะเกิดว่าเราหรือเกิดตำหนิเราหรือเกิดนะนั่นแหละจะใช้วัาชาตาไม่ต้องกันยังไงก็แล้วแต่แต่มันเป็นมันเป็นไปในเชิงในเชิงลบนะมันเป็นไปในเชิงลบซึ่งอันเนี้ยฟลุกจริงจริงเลยเพิ่งเจอกันครั้งแรกแล้วก็เจอแบบอย่างนี้เลยมันก็ฝังใจเราใช่ไหมเพราะนั้นเราก็เกลียดคนนี้ตลอดเลย เพราะว่ามันมันเจอตั้งแต่ครั้งแรกกันนี่มันก็เลยผูกความไม่ชอบใจเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วคราวนี้วันหลังนะ่าจะเจอกันเจอกันเจอกันก็ไอไอตัวไม่ชอบใจเนี่ยมันขึ้นมาทํางานอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบแต่ปรากฏว่าคราวนี้ถ้าคนนั้นเนี่ยปรากฏว่าหลังๆนี่เออเขาทําได้ดีขึ้นอะ่ะใช่ไหมไอสิ่งที่เราเคยคิดอะอย่างเช่น ครั้งแรกที่เราเจอเนี่ยปรากฏว่าคนนี้มาตําหนิเรามาว่าเราทาั้งที่เรานี่ไม่ได้ทาผิดอ้าวยกตัวอย่างนะเราไม่ได้ทำผิดล่ะแต่โอ้โหคนนี้มาว่าเอาว่าเอาเออเราก็นึกไม่ชอบใจแล้วเอ๊ะไม่ถามเราเลยไม่อะไรเลยแล้วก็มาว่าเอาว่าเอาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ผูกละวบางทีเราผูกความไม่ชอบใจไว้กับคนนี้เสร็จแต่หลังนี่ปรากฏว่าเอา๊ะ พอเจอกันนานเข้าคือเริ่มรู้จักเริ่มคุ้นกันเริ่มอะไรอ่ะพบเห็นกันหรือเราอาจจะได้ข่าวคราวเขามากขึ้นมากขึ้นปรากฏว่าอ้าวคนนี้ไอ้แงด่ดีเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขามีความดีให้เราได้ยินได้ฟังอะ่ะจากโดยตรงก็ตามเอ่อก็ตามหรือจากโดยอ้อมก็ตามปรากฏว่าความดีมาเข้าหูเราเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราะนที่สุดเนี่ย ถ้าคุณเนี่ยไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรจนเกินไปนะบอกแล้วว่าถ้าเรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมมาทําดีเนี่ยมันจำนวนเนี่ยว่าไอ้ถ้าเขาดีจริงๆอ่ะผลงานเขาก็มีจริงๆเนี่ยในที่สุดไอ้ความดีของเขาเนี่ยก็ยังมามาลดทอนไอ้ความไม่ชอบใจที่เราฝังเอาไว้อยู่เนี่ยมันยังโดนเฉือนมันโดนลดลงไปได้เลยอ่าเันถึงบอกว่าเหมือนกันเนี่ยก็คราวนี้กลับกันว่า เราเป็นคนทำดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแม้เขาไม่ชอบใจเราอะ่ะแต่เขายังอยู่ในหมู่กลุ่มที่จะมาเอาดีด้วยกันเนี่ยในที่สุดนี่ยถ้าเราทำดีจนมากพออย่างที่พ่อท่านบอกแล้วมันก็มากพอจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาจำนนต่อความดีที่เรามีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องไปห่วงคนอื่นเข้ามากถึงบอกว่าตัวเราเนี่ยแหละเอาชนะใจตัวเราให้มากๆ มากจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้ให้ความเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยมีผลที่จะกระทบนะอะไรนะเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวอย่างเงี้ยจะมีผลที่จะก็เทือนไปจนถึงเขาจนได้อะทำให้ในที่สุดเขาก็ต้องยอมรับแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยอะไรชอบชอบถึงที่สุดก็ตามแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาจะลดความไม่ชอบใจเราลงแน่นอน แล้วเนี่ยล้วเดี๋ยวมันก็สําเร็จแล้วถ้าใครทําได้อย่างนี้เนี่ยจิตใจของคนนั้นก็จะไม่มีความเกลียดชังไม่มีความไม่ชอบใจอะไรใครเลยเราเนี่ยแหละจะเป็นคนที่สบายอกสบายใจที่สุดเราไม่ไปฝังความรักผูกพันฝังความโกรธเกลียดชังใครเข้าเอาไว้ใจของคนที่จะบริสุทธิ์ผ่องใสได้เนี่ยคือมันต้องไมป ต้องไม่มีกิเลสไอพวกราคะโทสะอะไรพวกเนี้ยนะจนกระทั่งไปถึงมารนะไอตัวความถือดีถือตัวอะไรพวกนี้นะจนกระทั่งพวกเนี้ยมันก็ไม่มีไปด้วยแต่ว่ามันมันต้องฝึกไปเรื่อยๆไงโดยเฉพาะโทสะเนี่ยตัวนี่หยาบที่สุดในสามตัวเนี่ยราคะโทสะโมหะอะไรพวกนี้นะตัวโทสะนี่หยาบที่สุด มันความโกรธความเกลียดชังเนี่ยคุณละไม่ได้ก่อนเนี่ยโอ้ยไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องกรมไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องราคะเลยอันนั้นยิ่งยิ่งละยากกว่าอีกเพราะไอ้ความรักความพอใจมันละยากเอ้มันละง่ายๆที่ไหนเล้วยากมากเลยใช่ไหมเพราะยิ่งเราติดเราชอบเราพอใจคุณยิ่งละยากแต่ไอ้ความโกรธเนี่ยความโกรธที่คุณเห็นชัดเลยเนี่ยว่าโอ้โหมันร้อนอกร้อนใจอะ่ะใช่ไหมมัน มันทุกข์มันแค่เห็นหน้าแค่จะยินเสียงมันโหปึบปึบปึ บ, ปบอย่างกับไฟไหม้อยู่ในใจเราเลยอ่ะเพราะฉะนั้นใครเนี่ยไอความโกรธความเกลียดอะไรพวกนี้ละไม่ได้ก่อนนี่คุณโอ้ไม่ต้องไปพูดถึงตัวอื่นเลยกิเลสเพราะกิเลสตัวนี้เห็นทุกข์ได้ชัดที่สุดเห็นความเร่าร้อนใจได้ชัดเจนที่สุดก็ทุกครั้งที่เราถือสา เราหุดหงิดอืดอัดลำคาญเนี่ยไม่ถูกใจไม่ชอบใจมันเกิดขึ้นนะถ้าสมมติถ้าอยเป็นอย่างเนี้ยมันสัมผัสได้เลยสภาวะเราเองเราสัมผัสได้เลยซึ่งพอเราสัมผัสได้เนี่ยเอ้าเราก็รู้แล้วสิว่าโอ้โหมันเล่าร้อนมันทุกข์มันทรมานทรมรรมเรือเกินพอท่านชอบ เทศว่าว่าโอ้คุณโกรธยังไงอร่อยตรงไหนท่า <c oughs> นก็ชอบบอกอย่างเงี้ยนะเอามาอร่อยตรงไหนอ่ะใช่ไหมบางทีโกรธอย่างนีก อ, อบเกี้ยวเกี้ยวฟันนะ <c oughs> อร่อยเหรอกอบเกี้ยวเกี้ยวฟัน <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วมันอมันทุกข์มันทรมานใจบางคนยี่โกรธมากโกรธมากๆอาตมาเคยเล่าให้ฟังอ่ะมีคนโกรธมากโกรธมากยิ่งเอมีอายุหน่อยเนี่ยความดันมันขึ้นน่ะ โอ้โหมันดันเส้นโลหิตี่สมองแตกกันได้เลยคุณความโกรธนี่แหละจนกระทั่งที่เคยบอกอันนี้เรื่องจริงเลยดันจนกระทั่งบางคนนี่ตาบอดไปเลยอ่ะความโกรธเนี่ยจนกระทั่งตาเสียเลยนะโกรธแคบบางทีแบบวูบเดียวที่อืโกรธจนระงับอารมณ์ไม่ได้ไงมันดันดันดันดันดันขึ้นมาจนมันขึ้นหัวนี่เลย จนมาที่ตาเนี่ยจนกระทั่งตาผ้ามัวไปหมดเสร็จแล้วตหลังไปรักษารักษายังไงก็ไม่รู้รักษาไม่ได้สุดท้ายก็ตหลังตาบอดไปเลยโอ้โหอันนี้เนี่ ย, ยโทษภัยของความโกรธซึ่งเห็นง่ายที่สุดเห็นชัดที่สุดถึงบอกว่าความโกรธความเกลียดชังเนี่ยถ้าคุณแก้ไม่ได้ก่อนเรื่องกามแหมเรื่องราคะ ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะยิ่งยิ่งมองไม่ออกเลยอะ่ะเพราะตามหรือราคาเนี่ยคนจะมองไปไปในแง่ความสุขความยินดีแง่ความพอใจสะมากใช่ไหมคุณติด อ, อ, อาหารอะไรอร่อยอย่างเงี้ยคุณชอบกินอย่างเงี้ยกับอาหารที่คุณไม่ชอบเนี้ยใช่ไหม มึงคิดดูสิคุณไปผัดซากับอาหารไม่ชอบโอ้โหทันทีเลยใช่ไหมผักทิ้งเลยไม่กินเลยถ้าไม่มีอย่างอื่นนะมีแต่อย่างนี้อย่างเดียวแต่เราไม่ชอบจริงๆเราเกลียดบางทีคุณยังยอมหิวเลยคื อ, อยังไงก็ไม่กินอ่ะหิวหิวก็หิ ว, ห ว, ห ว, หวไม่กินโอ้โหมันมันมันมันผักถึงขนาดนั้นแล้วก็รู้นะว่าโอ้โหมันกระทุกทรมานนะไม่จะ ก, กินทนั้งที่กินลงไปก็ไม่ตายหรอก <laughs> ใช่ไหม กินลงไปก็ไม่เป็นอะไรยหรอกแต่อารมณ์ที่มันไม่ชอบอ่ะอารมณ์ที่มันผลักเนี่ยโอ้มันเกลียดมากๆแต่อาหารที่ชอบอะมาบอกเราพโะทมันจะไปผักอะไรอะ่ะมันก็มีแต่จะยิ่งเอาเอ า, เอ า, เ, อาเอามาเลยเอามาเลยใช่ไหม ก, ก็จะยิ่งชอบกินจะยิ่งอยากกินแล้วก็จะยิ่งกินเยอะเยะด้วยอาหารที่ชอบส่วนอาหารที่เกลียดเนี่ยมีแต่จะไม่กินหรือถ้ากินก็กินน้อยที่สุด <laughs> ที่เอามาแตะๆหน่อยจิ้มๆหน่อยพอล้ ถึงเม่ากี้แล้วแค่เนี้ยโอ้เพราะว่ามันไม่อยากแตะต้องไม่อยากยุ่งเกี่ยวไม่อยากสัมผัสคือพูดง่ายอยากหนีท่าเดียวในในในในด้านที่เป็นความเกลียดนี่นะจะหนีท่าเดียวไม่อยากเจอเจอที่หนีนี่มีสองเหตุผลใหญ่ๆ่เหตุผลหนึ่งเนี่ยพรอห น, นีเพราะไม่อยากเจอเจอเพราะเดี๋ยวจะยิ่งเกลียดนะอ่าโซ่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่หนีเพราะว่า ถ้าไม่หนี เ, นเดี๋ยวเด๋ยอดใจไม่ไหวจะตุบตับเขาเขาให้ให้เพราะนั้นก็เลยหนีอันนี้มันต่างกันตัวสองสองประเภทคือประเภทหนึ่งเนี่ยที่หนีเพราะว่ารู้อารมณ์ตัวเองว่าอยู่ตรงนั้นแล้วมันทนไม่ไหวรู้รู้รู้ตัวเองว่าทนไม่ไหวเมื่อทนไม่ไหวถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วอาจจะยิ่งเบียดเบียนอาจจะยิ่งทํำลายเพราะนั้นเลยต้องหนีคุณดูนะ วันหนีอันนี้นี่ยังหนีแบบอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าหนีแบบคนรู้อะ่ะคนเป็นผู้รู้หน่อยเพราะว่าหนีโดยที่เรียกว่ามันจำเป็นต้องหนีถ้าคื่อไม่หนีเนี่ยเดี๋ยวทำลายเขาเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยทั้งทั้งเขาทั้งเราเพราะฉะนั้นก็เลยต้องหนีออแต่ส่วนอีกพวกหนึง่งหนีเนี่ยที่หนีนี่ห น, นีเพราะความเกลียดชังคุณฟังดูดีๆนะ หนีเพราะความเกลียดชังแล้วก็ไม่ใช่ไม่ได้คิดว่าจะแก้อะไรแก้ไขตัวเองไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าจะปรับจะแก้ความเกลียดของเราให้มันน้อยลงหรือให้มันลดลงไม่คิดแก้ไขอะไรเลยแต่ที่หนีเพราะว่าหนีแล้วมันมันสบายขึ้นไงห น, นีแล้วมันสบายอะ่ะเพราะว่าไม่ต้องเห็นหน้าเออเราก็รู้สึกว่าเราสบายขึ้นแต่ไอ้ไอไกิเลสที่เรามีอยู่กิเลสที่เรามีอยู่เนี่ย มันยังคงเกลียดเกรยียดเกลียดเกลียดเกลียดอยู่อย่างนั้นแหละมันยังคงสะสมอยู่อย่างนั้นแล้วจริงๆรอ่ะยิ่งหนีก็บางทีเนี่ยยิ่งหนีก็ยิ่งเกลียดด้วยนะอ่าเพราะว่าบางครั้งก็ไอเนี่ยมันมาเลยทําให้เราต้องทําให้เราต้องไปเออถ้ามันไม่มาเราก็ไม่ต้องไปยิ่งเผลอๆนี่ยิ่งเพิ่มความเกลียดเพราะท่านหนีลักษณะนี้กิเลสยิ่งเพิ่มต่างจากตะกี้นี้ตะกี้นี้เนี่เนยเรายัางมีความ คิดหรือว่ามีความรู้สึกที่อยากจะปรับหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือว่ายังอยากจะสู้แต่รู้ว่ามันไม่ไหวมันเกินกําลังเราตอนนี้เพราะนั่นมันเลยมันเลยต้องหนีเพราะนั้นอันนี้สองอย่างนี่จะแตกต่างกันเพราะนั้นคนที่แบบว่าหนีในการที่ว่าเรารู้นี่นะคนนั้นมีหวังที่จะลดกิเลส ต, ตัวนี้ลงไปได้เพราะยังไงเนี่ย พอแม้ว่าเขาเขาจะไม่ต้องเจอคนนี้แล้วเนี่ยแต่นอกเวลาอื่นเนี่ยเขาก็จะฝึกฝนเขาจะหาทางว่ า, าจะปรับแก้จิตที่เราไม่ชอบใจพวกนี้ได้ยังไงจริงถ้ามาเห็นหน้าเนี่ยกาลังไม่พอที่จะปรับสู้ได้พูง่ายว่าตอนนี้ต้องสู้รับหลังใช่ไรับหลังเขาเนี่ยแต่เราก็หาวิธีเอาอย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาก็เคยมาตั้งตบากาตามาไง เขาบอกว่าก่อนนอนทุกคืนเนี่ยเขากอ็อะไรอะแผ่เมตตาหรือว่าเขาก็อะไรจะนึกถึงสิ่งดีๆให้กับคนที่ไม่ชอบใจอ่ ะ, ะก่อนนอนเนี่ยเขาสวดมนต์ไหว้พระแล้วเขาก็จะนึกดีๆกับคนนี้หรือว่าคิดในแง่เออให้อภัยคิดในแง่มุมที่มันไม่ใช่เป็นแง่ลบอ่ะ เป็นมุมที่แง่บวกให้กับเขาเนี่บางคนมีที่เข้ามาตั้งดบับบาแต่ต่อหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่ไหวอ่าแต่รับหลังอย่างเงี้ยเขาก็พยายามพยายามปรับแก้สภาวะจิตตัวเองซึ่งพอทําไปทําไปอัตมาบอกแล้วยังไงก็ตามเนีย่ยคุณทําไปทําไปทําไปจิตมันก็จะค่อค่อยๆค่อยๆค่อยๆข ย, ย, ย, ย, ย, ยับขึ้นมาดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งถ้าคุณคิดว่าเออชักจะมากพอคิดว่าเราเราฝึกจิตเรามา คิดในแง่บวกกับเขาคิดในแง่บวกเขาจกนกระทั่งชักจะมากพอคราวนี้คุณต้องพิสูจน์ว่าเออลองเจอดูเลยสิลองเจอดูเลยดูสิว่ามันยังจะรุนแรงเหมือนเดิมไหมรับรองได้เลยว่าพอเจอแล้วเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเออมันชักไม่เหมือนเดิมแล้วมันเปลี่ยนแปลงจริงๆรรู้สึกว่าดีขึ้นเจอแล้วเราไม่ไม่รู้สึกถือสาไม่รู้สึกโกรธเหมือนเดิมแล้วแต่อาจจะยังไม่เก่งถึงกับ เข้าไปหาหรือว่าเข้าไปพูดด้วยอาจจะยังไม่เก่งถึงขั้นนั้น